พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าควักลูกตาหาก ร, รโหลอกหลานเส็จหลายอย่าง หลงพอแล้วหลอดเล็งมูนะบาดาจ๋ า, าจอของแล้วหนละ่ะว่ามูสาวคนเท่ามันเป็นนงสันนะบาดาจ๋ า, าจอของเพท่านแล้วเนะี่ยยังปากเพระท่านออกกนไปเพราะมันเพท่านแล้วขันพ่อจ๋าของแล้วเท่านั้นนะบอกว่ามูสาของท่านที่แล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้า กรกฎาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้มีพระลงมาฉันทั้งหมด46พ ร, พระทั้งหมด46ลงมาฉัน43งดฉัน3รูปวันนี้วันนี้เป็นวันที่25 กรกดาคมพุทธศักราช2559พวกเราขอ้อพัรษามาก็3สี่ห้าวันแล้วก็พระในวัดของเราส6กลงมาชั้น43สวันนี้นะงดชั้นสมโรคมีนาคมีนาคตกค้างอยู่นาคหนึ่ง แต่นาค ก, ก็ให้ภาวนาไปเรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งเพราะเหตุไรเพราะวา่าไม่ใช่ว่าเป็นพระเท่านั้นที่จะภาวนาได้เป็นนาคเป็นขราวาสญาิโยมก็ภาวนาได้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องรีบนะอยู่ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆชังจิตชัางใจตัวเองไปเรื่อยๆ พวกเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมเป็นผู้ล็งขิตกรรมเป็นผู้อํานวยความสุขความทุกข์ให้กับเราเพราะนั้นท่านในหลักของพุทธศาสนาและท่านบอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่ แต่ศาสนาอื่นเขาว่าพระภูเป็นเจ้าบางพระเจ้าบางเป็นผู้ประธานในศาสนาบางศาสนากันก็บอกว่าเาลือกงามยามดีถ้าทําถูกตรงเวลำเวลาถูกถูกเลือกงามยามดีเลือกงามยามดีจะให้ผลแต่หลักของพุทธศาสนากรรมกรรมคือการกระทํา าว่าตัวเองทําชั่วแล้วพระเจ้าองค์ไหนเลกงามยามดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะประทานหรือว่าทําให้ดีขึ้นได้เพระเาะตัวเองทําชั่วถ้าตัวเองทําดีคิดดีทดําดีพูดดีไปในทางที่ถูกต้องในหลักเหตุผลก็ไม่มีใครที่จะประสิทธตประสาทอีกเหมือนกันตัวเองก็ต้องได้รับ ผลของการกระทํานั้นเพราะฉะนั้นท่านยังว่าการทํากรรมทําได้สามทางมนโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือการพูดกรรมเกิดขึ้นมาได้สมทางเพราะนั้นท่านยังบอกว่าการคิดคิดยังไงที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดดี ถ้าคิดชั่วรวะบมิจฉาทิตฐิในการคิดชั่วในเมื่อทำลงไปก็เหมือนกันถ้าทำดีระบเป็นสัมมาทิตฐิในการกระทำถ้าทำชั่วรวะบบเป็นมิจฉาทิฏฐิในการทำชั่วในการกระทำการพูดก็เหมือนกันถ้าพูดโธกระสัมมาทิฏฐิในการพูดถ้าพูดไม่ดีทำให้คนอื่นเสียหายมิจฉาทิฏฐิ ในการพูดนั้ น, นการพูดก็เป็นสองเหมือนกันการกระทำก็เป็นสองการคิดก็เป็นสองดีชั่วสรุปแล้ว ค, คือสองอย่างเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพบประัสานาคือศาสนาเหตุผลถ้าเราทำชั่ว แล้วจะดีดจะดีได้อย่างไรถ้าเราทำดีจะั่วได้ยังไงถ้าว่าเราทำความชัว่วถึงจะหาลึกงามยามดีขนาดไหนก็เถอะโหนระดับไหนก็เถอะมาบอกว่าต้องทำดีเวลานี้จะชั่วไม่ได้ทดลองดู พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทายแล้วเวลาเท่าไหร่เวลาเที่ยงตรงเอานาฬิกามาตั้งใส่หลายเรือนก็ได้พอเสร็จแล้วก็มีดไปย้ำหัวคนหนึ่งเข้าข้างๆพอย้ำเข้าไปแต่ทำยังไงแต่ในใจไม่ต้องคิดนะว่าจะค่าจะทำอะไรนะพอคิดขึ้นมาได้เพราะว่าค่าเชื่อในในลึกงามยามดีนะ ลุกขึ้นมากับมีดยำหัวเลยเวลาตรงแล้วเป็นยังไงเลือ ก, กงามยามดีที่มองดูแล้วจะคุ้มกันได้ไหมมันคุ้มกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะการกระทาของเราทำชั่วเราก็ต้องติดคกุกนี่แหละนหลักของพุทธศาสนาท่านว่าเราต้องทำดีต้องคิดดีทำดีพูดดีจึงจะเป็น จึงจะไปในทางที่ดีได้ไม่มีใครที่จะประสิทธิ์ประสานไม่มีใครที่จะให้พรเราได้แต่บางคนทำไมเขาเกิดมาพบนิ้ชานี้เรามองมองดูแล้วสารเลวที่ทุบในความรู้สึกของเร า, เาทางกายทังวาจาทังใจทุกอย่าง ออการกระทาของเขาคาว่าศีลธรรมเนี่ยมีน้อยมากแต่เขาก็เจริญเอาเจริญเอาลํำรวยในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ากรรมเก่ากรรมเก่าให้ผลอยู่กรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้นมันยังมันยังไม่ให้ผลในเมื่อกรรมเก่ากรรมบุญบุญเก่าหมดแล้วนะ แล้วกวกรรมใหม่เข้ามาทดแทนนั่นแหละเขาจะน้ําตานองหน้าอะไรจนี่ร้องโ h o ร้องให้เป็นทุกโฟยฝ่ายทำไมข่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ยข้า ม, มีแต่ทําดีทั้งนั้นไม่เคยคิดแม้แต่คิดก็ไม่เคยที่จะทําชั่ว เ, เมื่อทําก็เหมือนกันพูดก็เหมือนกันมีแต่ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดแต่ผลร้ายผลร้ายทําไมมาอยู่ มันลุมมตุ่มของเราอยู่ตลอดเวลาทำใหม่นี่แหละอันนี้คือกรรมเก่าให้ผลแต่ว่ากรรมใหม่ที่ทำในปัจจุบันนี้ไม่ไปไหนมันก็จะเป็นให้ผลให้ผลต่อไปในอนาคตอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นกรรมคำนี้นะอนดีตกรรมปัจจุบันนกรรมปัจจุบันนกรรมคือทำทำกรรมชั่วในปัจจุบันในปัจจุบันในชาตินี้ คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วในปัจจุบันชาติบางทีก็ให้ผลต่างปีก็เอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้ามันจะให้ผลสมมติว่าอย่างเราเกิดมาแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างพอฆ่าพ่อฆ่าแม่เสร็จแล้วเขาก็จับเข้าคุกติดตาราง บ า, บางยุคไม่ทษไ ม, ไม่ไม่มีโทษประหารพอขังคุกเข้าไปจกช่ดระยะหนึ่งสิบยี่สิบสปีเขาก็ออกมาเอพอได้รับทุกแล้วรับโทษแล้วแต่มันไม่ใช่แต่จะรับโทษในปัจจุบันเท่านั้นโทษตัวนี้มันจะต้องสืบเนื่องไปในอนาคตอีกยาวนานทีเดียวเกิดมาพบใดชาติใดจะต้องถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่า เพราะอะไรเพราะการกระทาของตนเองกรรมชั่วตัวนี้มันให้ผลเป็นเราอ น, านัอนตอนันตริยกรรมกรรมหนักที่สุด อ, อ, อนันตริยกรรมหมาตุคาตฆ่ามารดาปิตุคาตฆ่าบิดาอารหันตะคาตฆ่าพระหรันโลหิ ต, ตุบตัตทาร้ายพระพุทธเจ้ายังพลโลหิตให้ห้อสังฆเภทยุยงพระสงฆ์ให้แตก เป็นฝักฝ่อยอันนี้ว่าบาปบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเราห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในปาลาชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแปลว่ า, าหมดบุญกุศลเข้าไปไม่ถึงพวกที่ทํากรรมห้าอย่างนี้อันนี้ว่าบาปหนักเพราะนั่นเป็นหลักของพพุทธให้พวกเราเชื่อ กรรมคือการกระทํำแต่บางสิ่งบางอย่างเที่หลวงพ่อได้อ่านในตํำรับตําราในพระไตรปิฎกท่านก็พูดบางทีบางสิ่งบางอย่างมันไม่น่าเกิดมันก็จะเกิดไม่น่ามันไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตัวนี้คือกรรมคือการกระทําตัวเนี้ยอย่างที่ท่านพูดใน ยกตัวอย่างมาอย่างลูกของพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นพระกุมารแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ไปสร้างปราสาทก็ปางสร้างปราสาทก็ไปเห็นว่าในช่างปราสาทคนนี้ในช่างคนนี้แนหะเก่งที่สุดในบริษัทนี้ในเมืองเขาก็ต้องรู้ว่าบริษัทไหนที่ว่าเก่งที่สุดในช่างไหนะเก่งที่สุด เขาก็จังในช่างนั้นกับหมู่พวกเพื่อนมาสร้างปร า, าสาทให้ตนเองเป็นเอกเทศเหมือนกับสร้างบ้านจัดสรรเป็นเอกเทศลักษณะอย่างนั้นเป็นเวียงวังพอสร้างโจศรจะเสร็จการโอ้ทหากวานในช่างคนนีนะ้ทางถูกใจมากเลยทำดีที่สุดสร้างเวียงวังให้เรา แต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนะี่ยเขาคงจะไปสร้างที่อื่นเขาเอาตัวอย่างของเรานะไปสร้างที่อื่นคงจะเหนือกว่าเราอีก เ, ออเราควรจะจัดการช่งางตัวนี้เราควรจะควักตาของช่างนี้ไม่ให้มันไปทำที่อื่นได้ถ้าว่าไม่ควักตาเนี่ยมันจะไปทำที่อื่นจะสวยงามกว่าเรานี่เราจะให้เป็นหนึ่งไม่มีสองออในใน ในฟีมือบ้านของเราเนะี่ยมันคิดได้ยังไงหลวงพอ่อว่าเออมันคิดได้ยังไงแล้วจะไปทำได้ยังไงขนาดเขาทำให้บ้านตัวเองให้สวยงามแล้วยังไปควักจะคิดควักลู ก, กตาเขาอะ่ะลูกเพื่อมาใ ห, ให้ไปทำที่อื่นดูสิเนว ก, กรรมคือการกระทำตัวนี้นะมันคิดขึ้นมาแล้วกระบอก อพอที่นี้ก็รู้นะในช่างก็รู้เลยนะละแคละลักายเขาก็มันคำคำพูดออกมาเราจะต้องจัดการกันในช่างนะอผู้หวังดีเขาก็มีใช่ไหมล่ะอพอผู้หวังดีเขามีก็ามาบอกบอกว่าในช่าง อ, อลูกชายของพระเจ้าพิพิสาร เ, เจ้าของบ้าน เ, นเขาจะค ว, วักตาในช่างนะ เ, เพราะว่า เขามาให้ไปสร้างบ้านหลังอื่นให้สวยงามกว่านี้ อ, อลูกชายเขสะดุ้งสิใช่ไหมล่ะโอ้ตายเราทำาไม่ไั้แต่เนี้เขาก็เอาทหารมาร้อมรอบอีกต่างหากีลยไม่ให้นในช่างออกไปทางไหนได้มีตะเหาะกระดําดินนั้นน่ะจึงจะออกได้ฮแล้วไปขุดดินไปขุดได้ยังไงใช่ไหมบินก็จะบินได้ยังไงทแต่ในช่างเขาก็มีหัวอยู่แล้วเพราะเขาเป็นช่างใช่ไหม เขาบอกบอกกับฟ้าบ อ, บอกกับลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารนะพระองค์ท่านกระผมต่อไม่ได้กับผมจะทำงานละเอียดห้ามไม่ให้ใครเขามายุ่งผมจะสั่งเอาวัตถุเข้ามาทำงานเท่านั้น เ, เพราะว่าถ้าหากมีใครเขามายุ่งเสียสมาธิในการทำงาน บ้านจะออกมาไม่สวยเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีสมาธิให้ดีที่สุดเดียวทำบ้านของพระ อ, องค์ท่านเอาพอผมจะสั่งวัตถุเป็นอันเป็นอันเข้ามาขอพระ อ, องค์อํานวยความสะดวกในการสั่งเ อ, เ, อเอาสิ่งของเข้ามามีแต่ครอบครัวของผมเท่านั้นเข้ามาอยู่ข้างในมีลูกมีเมียเท่านั้นนอกนั้นไม่ให้เข้าม า, าผมจะทํางานให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการกอร่อสร้างแต่นี้ก็อยากจะได้บ้านสวยอยู่แล้วใช่ไหมเออจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างอแต่ห้ามออกนอกนะครับเขาทหารกขาล้อมไม่รู้กี่ชั้นนะเพราะว่าแผนการก็คือเมื่อสร้างเสร็ จ, จเสร็จแล้วนะออกมาเขาก็ควักตาสองข้างทิ้งเลยไม่ให้ทํางานอีกต่อไปเดอกมาเขาคงจะเลี้ยงอะจะเนี่ คงจะเลี้ยงไว้ไม่เป็นไร เ, เลี้ยงคนแต่ให้ตาบอดอพลในสุดนายช่างนี่ก็สั่งเอาไม้เบาๆนะพวกไม้เบาๆไม้อันไหนที่สั่ ง, ส, งสั่งเข้ามาแล้วก็สั่งผ้าเข้าม า, าสั่งผ้าแบบไม่เห้หลมรั่วออกได้นะผ้าแบบผ้าล่มสั่งเข้ามาอุปกรณ์สั่งเข้ามาเรียบร้อยเก็มาผิดมาผิดนกหง์ ฝุ่นอ่ะไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยผิดผลิตนกหงส์เหมือนกันก น, นะเหมือนกับนกเนี่ยมีปีกแล็กเผ้าห่มอจากนั้นก็อมีเหมือนกับชักเบาลักษณะอย่างนั้ น, น่ะปีเชือกมีอะไรพอชักขึ้นไปมันก็มันเหมือนกับ น, นกหงสกับผือปีกลักษณะนั้นนะแต่เนี้่ยทําเสร็จแล้วตัวที่จะรับน้ำหนักใส่ไม้ มันแข็งๆไงบ้านลูกสองสามคนลูกหญิงลูกชายแม่บ้านตัวเองสี่คนแบกได้ไหมวะมันน่าจะแบกได้ไหมฝนี่สูรก็ใส่เสร็จเรียบร้อยเลยกันวันไหนพอกลางกลางคืนมามันมีลมแรงๆใช่ไหมมีลมขึ้นมาก็พอที่จะพยุงนกโขงขึ้นมาได้แต่แกก็ชักนกโขงเลยวะ ه, พอชักนกหงนกผงกระกพือปีกพราะว่พระพระพระวจากนั้นนกคือคนก็เข้าไปอยู่ในนั้นสามสี่คนพ่อแม่ลูกมันก็ลอยขึ้นไปบนอากาศไปเลยแหล้วนะั้นหนีออกไปที่อื่นอพอผพงีนเช้ามาพงในหานะในช่างไม่เจอนะหายเงียบไปคงจะไปสร้างบ้านที่อื่นที่ไกลที่สุดเหล่านะนั้นนี่หละ มาดูดูแล้วกมคือการกระทําจุดนี้เนะเมื่อเขาสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองถึงขนาดนั้นไปคิดทําร้ายทำร้ายเขาได้ยังไงไม่คิดได้ยังไงเออทําไมไม่คิดถึงบุญคุณของเขาน่าจะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาทําอย่างอื่นก็ยังได้ไม่ให้ทำที่อื่นนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงคุณให้กินเงินเดือนอยู่ที่นี่ละ่ะให้เงินเดือนอย่างแพงเลี้ยงทั้งครอบครัวเขาด้วยอ่ มันอย่างนั้นมันจึงจะถูกเครือเครือูนหนุนเขามันจึงจะถูกนะแต่ผู้นะี้คือชื่อโพงผูที่ลาชกุ ม, มารอะไรเนะี่ยลงพ่อก็จะไม่จะไม่ชัดนะแต่ตอนนี้พอเสร็จแล้วนะเขาก็บังบ้านเขาโหสวยงามมากไม่มีบ้านไหนที่จะสวยกว่าในในในยุคนั้นเขาก็นหมนพระพุทธเจ้านะพร้อมกับพระสงฆ์เข้าไปฉันฉลองบ้านใหม่ เวียงไปวางไปฉันให้เวียงวังใหม่พระองค์ก็จะเสด็ดไปกับพระสงฆ์นะเพราะเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพ์ิสารนะแต่พระเจ้าพิมพิสารกัสวรรคคตไปแล้วละ่ะก็เป็นน้องของอาชาติชาตรูนะี่พระลูกมีลูกหลายคนนะดังนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเขาก็ปูผ้าขาวเขาไม่มีลูกนะเขาไม่มีลูกเขาก็ปูผ้าขาวที่หน้าประตูที่ที่พระองค์จะเหยียบนะ เขาก็ตั้งจิดอธิษฐานว่าถ้าว่าข้าพเจ้าจะได้ลูกขอให้พระ อ, องค์เหยียบเหยียบผ้าขาวเหยียบผ้าขาวของข้าพเจ้าด้วยผ้าถ้าผ้าเช็ดเท้าของข้าพเจ้าด้วยพระ อ, องค์ไปยืนที่นั่นพระ อ, องค์มียานรัฐมีญาณทัฐยานรัต น, นะใช่ไหมมียานว่าเขามีจุกประสองค์อะไร เนีพระองค์บอกว่าให้ออกเอาออกผ้าขาวนะท่านมาเหยียบนะ อ, อนีการเหยียบผ้าขาวลงตาเนี่ยท่านจะไม่เหยียบของของใครง่ายๆ เ, นะเพราะเวทมันมีพิวิไนนะเพ้อๆยังปรับอบัดผู้กดอีกต่างหาเพราะนั้นท่านจะไม่เหยียบผ้าใครพวกเราสังเกตดูองค์ลงตาไปที่ใดนะ่ะเขาปูพายเอาออกโอ้โอทาไมเนี่นะเป็นมาจากโพธิราชกุมารสมัยนั้นนะแต่นี้พระองค์ก็บอกว่า โพธิราชกุมารไม่ไม่มีโรกหรอกชาตินี่เพราะบาปกรรมในอดีตนะอดิตชาตินะพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นบาปกรรมอันไหนหนอพระเจ้าข่าที่โ พ, โ พ, โ พ, โพธิราชไม่มีไม่มีโรคเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเขาไปนั่งเรือค้าเรือเดอนเดินเดินเรือสะพเพาเรือสะเพาแตกในกลางทะเล จากนั้นเขาคอยสองผัวเมียเขาก็เล็ดได้ไม้กระดานเกาะไม้กระดานไปเขาไปถึงฝั่งพอไปถึงฝั่งมันมีเกานะนัมันมีนกเยอะในนกในในนั้นนะโพธิราชก็ไม่มีอาหารกินก็เลยกินลูกนกบังกินไข่นกบางกินลูกนกบังกินไข่นกเป็นอาหารอในชาตินั้นแปลว่ากินไข่และกินลูกนกอย่างมากเลย นั่นละบาปกรรมตัวนั้นน่ะเขาจะไม่มีลูกนานเท่านานเพราะเขาใช้กรรมกรรมคือการกระทําของเขาอที่เขากินไข่และกินลูกนกนี่แหละอันนี้มันมีมันเป็นมีมาเป็นมาเป็นไปเหมือนกันนะพวกเราให้สังเกตกรรมคือการกระทําตัวนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะคนทํากรรมทําไม่เหมือนกันนะ คนหนึ่งทำกรรมมาหนึ่งทนหนึ่งทำกรรมมาหนึ่งแต่ผลของกรรมที่ให้ผลนะมันก็แตกแตกต่างกันเหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งโดยการเป็นร้อยคนอย่างนี้นออดูแล้วเป็นคนเหมือนกันมีแข้งมีขามีหูมีตามีจมูกมีร่างกายเหมือนกันแต่ทาไมไม่เหมือนกันความคิดก็ไม่เหมือนกัน การพูดการกระทำอากับกิริยาก็ไม่เหมือนกันติปัญญาก็ไม่เหมือนกันความมั่งมีสีสุขก็ไม่เหมือนกันนั่นกรรมจําแนกมันไม่ใช่ธรรมดาเลยมันละเอียดที่ถ่วนยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกของ่างนั้นคอมพิวเตอร์คิดนยังยังคิดไม่ละเอียดเท่ากรรมกรรมที่มานคิดคิดย้อนหน้าคิดย้อนหลังคิดในอดีตคิดในอนาคต ให้ผลยังไงมันให้ผลเสร็จเลยแต่ละคนมันจะให้ผลออกมาเป็นระลอกระลอกของใครของเรานะเพราะนั้นพระพรองค์พระพุทธศาสนาจึงว่าอย่าทำเลยดีกว่าความชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะี่หละ ให้พวกเราฟังเอาไว้หลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกเรื่องกรรมคือการกระทำให้พวกเราทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีให้ผลพวกเราจกอยู่ในสถานที่ใดดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะกรรมดีให้ผลเราอย่าไปคิดว่าใครจะไปสิทธิ์ประสาทพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหรือลึกงามยามดีจะประสิทธิ์ประสาทให้เราอย่าหวังการเราทากรรม ชั่วลงไปแล้วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วนั่นแหละกรรมชั่วจะให้ผลไม่มีไม่ไม่มีใครอื่นหรอกที่จะจะทําให้กับเราเรานั่นแหละจะต้องได้รับแต่แต่ทําไมเราทํากรรมดีทําไมจึงผลร้ายจึงตามมาในอดีตชาติกรรมกรรมชั่วในอดีตชาติถ้าพระหรันพระอรหันต์ผู้มีญาณรัศนะพระพุทธเจ้า อย่างสงพระชนมีญาณรัตนะเร า, เาไปถามพระองค์จะบอกให้ฟังเลยที่เธอทำกรรมดีในชาตินี้แต่กรรมชั่วแต่ได้รับแต่ผลชั่วเพราะกรรมชั่วในอดีตในยุคนั้นเธอทำอย่างนั้นมาถึงยุคนี้เธอจึงได้รับ อ, อย่างประโมกขาลาที่เห็นได้ชัดคนทั้งหลายกระโวยวายวกเวกว่า พระโมกคลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเหาเหินเดินฟ้าหดมิแต่ทำคุณงามความดีในพพนิชาตินีมีแต่แนะนำสั่งสอนศรัท ธ, ธาญาติโยมเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากอีกต่างหาแต่ทำไมถึงถูกโจรฆ่านะสงสัยสนเทศกันทั่วบ้านทั่วเมืองพระพระองค์าาบอกว่าโมกคลาสมควรตายแก่แ ก, กรรม แก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตชาติเขาก็ถามว่ากรรมอันไหนหนอพระพุทธเจ้าค่ะที่โมกคลาที่ท่านทําในอดีตชาตินานมาแล้วโมกขลาฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ตกบกไม่อยู่ในอเวจีมหานารกเสยาวนานจากนั้นพอขึ้นมาก็มาเกิดมาเกิดก็ถูกฆ่ามาติดต่อกันมาหลายภพหลายชาติ แต่ถ้าโมคขลายังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์พระโมคคลาก็คงจะถูกฆ่าไปอีกยาวนานไม่โลกกี่นานเท่าไรเพราะการกระทาของโมกคลาเนี่ยกหนักอันันริยกรรมแต่นี้โมกคลาแหวกแนวเสีกแนวออกไปคล้ายๆกับว่าโมคคลาทํากรรมหนักจริงอยู่แต่พระบุญของโมกคลามากมายมหาศาล โมโคขลาเนี่ยเหมือนกับมีเรือแพแล้วก็ข้ามปิดมิติหนึ่งข้ามไปออกจากโลกนี้เลยออกจะไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกรรมตามไม่ถึงกรรมคือหมานคือหมาลาเนื้อน่ยกรรมพอมันได้เวลาเมันก็เข้าไปกัดพอกัดแล้วตายแล้วเกิดขึ้นมาอีกหมาก็ไล่กัดอีกกัดอีกหมาตายอีก พอเกิดขึ้นมาอกีกหมาตัวนี้ก็ไล่กัดเหตุเพราะมันกรรมที้มันมันตามอยู่ตลอดกรรมชั่วมันตามตลอดอพอในสุดโมกคลาดได้แพใช่ไหมอันในสงท่านก็ไม่ได้ทําแต่กรรมชั่วอย่างเดียวท่านทํากรรมดีด้วยท่านก็สร้างบุญสร้างท่านได้เรือจนเรือยนอัตโนมัติเรืออย่างดีเลยขึ้นเรือก็เจ้าจิ้มข้ามฝั่งเลยท่านเออ หมามันอยู่ทางฝั่งไทยเนี่ใช่ไหมตัวของท่านน่นไปอยู่ฝั่งอเมริกาเนะนะี่ยอยู่ขั้วโลกอีกขั้วโลกเหนึ่งหมาตอนนี้นจะตามทันเหรือใช่ไหมหมาตอนนี้ก็วิ่งไปหาจุดทะเลเอ๊ะมันไปแถวนี้หละมาถึงฝั่งทะเลแถวนี้มันไปไหนไนะกรรมก็วิ่งวนไปวนหมาวนหมาวนไป แ, แถวนี้ก็เลยเป็นเอาโหสีกรรมเปรว่ากรรมให้ผลสําเร็จ โมฆะลาจะเข้าสู่นิพพานกรรมไม่สามารถที่จะถึงไนดะ้ตามไม่ถึงแนละ้วเข้าสู่นิพพานแนละ้วแปลว่าจบนะแต่นอกนอกจากนั้นลงมานะ่ยถ้าเป็นพรหมเนะี่ยลงมาเนะี่ยยังจะใช้กรรมอีกนะไปที่ไหนมาเขาบอกกุณเเวนมาหาเกิดมหาเกิดก็ต้องใช้กรรมอกีกกรรมจะต้องตามอกีกแต่เมื่อเข้าสู่นิพพานหรือเข้าเป็นพระพะอนาคามีท่านนะเพราะพระอนาคามีขึ้นไปสู่พรหม อวิหาอัตปาสุตสาสุเสกนิถาพรมห้าชั้นไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกนั่นแหละอันนั้นก็หมดกรรมอีกเหมือนกันมีแต่ทำไปชำระใจของพระ อ, องค์ท่านพระอนาคามีจนได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในชั้นพรมที่ตนเองได้ขึ้นไปอยู่นั่นก็เข้าสู่นิพพานไปเลยไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกอันนั้นก็คือผู้นี้จะ ก, กรรมพ้น กรรมดีกรรมชั่วพ้นไปหมดเลยแต่นอกจากนั้นมาแล้วไม่มีใครที่จะหนีจากกรรมหนีออกจากกรรมหนีจากกรรมไม่พ้นลงมาจะต้องมาได้ใช้กรรมคือการกระทำของตนเองในปัจจุบันนั่นรลยอดีตเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านเมื่อคิดเมื่อรู้แล้วว่กการทำกรรมสิ่งที่มันไม่ดีจะเป็นการพูดก็ดีการกระทำก็ดีการคิดก็ดีก็ไม่ควรจะให้เกิด ให้มีสติยับยัง้งให้กันกลองไตรตรองด้วยเหตุผลให้เป็นบุ ญ, บญเป็นกุศลใน จ, ใจิตใจนั้นาเลิศประเสริฐที่สุดนะแต่มันก็ยากนะพูดเนี่ยพูดให้ฟังแต่ที่ยังไงให้เป็นแนวทางเอาไว้เอถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราก็ไม่รู้เออเหมือนกับตามบอดโดนไปโดนมาชนไปชนมาแต่พวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้วหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเราก็จะมองเห็นว่าออื จุดนั้นเราไม่ควรจะเดินจุดนั้นเราไม่ควรจะคิดจุดนั้นเราไม่ควรจะพูดจะทำในเรื่องเรื่องจุดนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้นนี่แหละถ้าพวกเรารู้แนวทางแล้วพวกเราจะรู้จักทางหลบทางหลีก ร, รมคือการกระทำการคิดการทำการพูดนั้นๆพวกเราจะจะมีแต่เดินทางไปสู่ความสุขความจเจริญมรรคผล น, ผนิพพานในที่สดุดนะ ในวันนหลวงพ่อได้พูดเรื่องกรรมคือการกระทาให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาน ะ, อะตอนไปรับพร